สิกขาบทวิพังห้าร้อคำว่าเมื่อจีวรสําเร็จแล้วหมายความว่าจีวรของภิกษุทําเสร็จแล้วสูญหายแล้วฉิบหายแล้วถูกไฟไหม้แล้วหรือภิกษุหมดหวังว่าจะได้ผ้ามาเย็บเป็นจีวรคาว่าเมื่อกรถินดอแล้วหมายความว่า กรถิ่นดาะด้วยมาติกาอย่างใดอย่างหนึ่งในมาติกา8หรือสงดอกกรถินในระหว่างที่ชื่อว่าอาการจีวอได้แก่ผ้าที่เกิดขึ้นตลอด11เดือนในเมื่อไม่ได้กรันกรถิ่นผ้าที่เกิดขึ้นตลอด7เดือนในเมื่อได้กรันกรถินแล้วแม้ผ้าที่เขาถวายจ่อจงในการนี้ที่ชื่อว่าอาการละจีวอนได้แก่ผ้าที่เกิดขึ้นตลอด11เดือน ในเมื่อไม่ได้กรานกรถินผ้าที่เกิดขึ้นตลอดเจ็ดเดือนในเมื่อได้ครานกรถินแล้วแม้ผ้าที่เขาถวายเจาะจงในการนี้ชื่อว่าอาการะจีวรคําว่าเกิดขึ้นคือเกิดจากสงเกิดจากคณะเกิดจากญาติจากมิตรหรือที่เป็นผ้าบังสุขุณหรือที่ได้มาด้วยทรัพย์ของตน คำว่าต้องการคือเมื่อต้องการเก็บก็รับไว้คำว่าครั้นรับแล้วพึงรีบให้ทำคือพึงให้ทำเสร็จภายในสิบวันคำว่าถ้าผ้าผืนนั้นมีไม่พอคือผ้าไม่เพียงพอที่จะทำเป็นไตรจีวรผืนใดผืนหนึ่งคำว่าภิกษุนั้นพึงเก็บผ้าสาหรับทำจีวรนั้นไว้ไม่เกินหนึ่งเดือนคือเก็บไว้ได้หนึ่งเดือนเป็นอย่างมากคาว่า เพื่อเพิ่มผ้าสาหรับทำจีวรที่ยังขาดให้ครบคือเพื่อจะให้ผ้าที่ยังขาดครบบริบูรณ์คำว่าเมื่อมีความหวังว่าจะได้ผ้ามาเพิ่มคือมีความหวังว่าจะได้จากสงจากคณะจากญาติจากมิตรหรือที่เป็นผ้าบางสกุลหรือที่ได้มาด้วยทรัพย์ของตนจีวรที่มีความหวังว่าจะได้มา คำว่าถ้าเก็บเกินกำหนดนั้นแม้มีความหวังว่าจะได้ผ้ามาเพิ่มอธิบายว่าจีวอนที่หวังเกิดขึ้นในวันที่จีวอผืนเดิมเกิดขึ้นแล้วเพิ่งทำให้เสร็จใน10วันจีวอที่หวังเกิดขึ้นในเมื่อจีวผืนเดิมเกิดขึ้นแล้วได้สองวันในเมื่อจีวผืนเดิมเกิดขึ้นแล้วได้3วันในเมื่อจีวอผืนเดิมเกิดขึ้นแล้วได้4วันในเมื่อจีวผืนเดิมเกิดขึ้นแล้วได้5วัน ในเมื่อจีวรพื้นเดิมเกิดขึ้นแล้วได้6วันในเมื่อจีวนผืนเดิมเกิดขึ้นแล้วได้7วันในเมื่อจีวรพื้นเดิมเกิดขึ้นแล้วได้8วันในเมื่อจีวรพื้นเดิมเกิดขึ้นแล้วได้9วันในเมื่อชีวรพืนเดิมเกิดขึ้นแล้วได้10วันพึงทำให้เสร็จใน10วันจีวนที่หวังเกิดขึ้นในเมื่อจีวรพื้นเดิมเกิดขึ้นแล้วได้11วันในเมื่อจีวนพืนเดิมเกิดขึ้นแล้วได้12วัน ในเมื่อชีวรพื้นเดิมเกิดขึ้นแล้วได้13วันในเมื่อชีวรพื้นเดิมเกิดขึ้นแล้วได้14วันในเมื่อชีวรพื้นเดิมเกิดขึ้นแล้วได้15วันในเมื่อชีวรพื้นเดิมเกิดขึ้นแล้วได้16วันในเมื่อชีวรพื้นเดิมเกิดขึ้นแล้วได้17วันในเมื่อชีวรพื้นเดิมเกิดขึ้นแล้วได้18วันในเมื่อชีวรพื้นเดิมเกิดขึ้นแล้วได้19วันในเมื่อชีวรพื้นเดิมเกิดขึ้นแล้วได้20วันเพิ่งทำให้เสร็จในน10วั จีวรที่หวังเกิดขึ้นในเมื่อจีวรพื้นเดิมเกิดขึ้นแล้วได้21วันพึงทําให้เสร็จใน9วันจีวันที่หวังเกิดขึ้นในเมื่อชีวันพื้นเดิมเกิดขึ้นแล้วได้22วันพึงทําให้เสร็จใน8วันจีวันที่หวังเกิดขึ้นในเมื่อชีวันพื้นเดิมเกิดขึ้นแล้วได้23วันพึงทําให้เสร็จใน7วันจีวันที่หวังเกิดขึ้นในเมื่อชีวันพื้นเดิมเกิดขึ้นแล้วได้24วัน พึงทำให้เสร็จใน6วันจีวันที่หวังเกิดขึ้นในเมื่อจีวันผืนเดิมเกิดขึ้นแล้วได้25วันพึงทำให้เสร็จใน5วัน จ, <onter> จีวันที่หวังเกิดขึ้นในเมื่อจีวนันผืนเดิมเกิดขึ้นแล้วได้26่วันพึงนนพ่งทำให้เสร็จใน4วันจีว bueno. ันที่หวังเกิดขึ้นในเมื่อจีวันผืนเดิมเกิดขึ้นแล้วได้27วันพึงทำให้เสร็จในสาวัน จีวันที่หวังเกิดขึ้นในเมื่อชีวันผืนเดิมเกิดขึ้นแล้วได้28วันพึงทําให้เสร็จในสองวันจีวันที่หวังเกิดขึ้นในเมื่อชีวันผืนเดิมเกิดขึ้นแล้วได้29วันพึงทําให้เสร็จใน1วันจีวันที่หวังเกิดขึ้นในเมื่อชีวันผืนเดิ Virus an, that, มเกิดขึ้นแล้วได้30วันพึงอธิษฐานวิกัพสละให้ผู้อื่นในวันนั้นถ้าไม่อธ hey ิษฐานไม่วิกัพหรือไม่สละให้ผู้อื่นเมื่อรุ่งอรุณวันที่31 จีวนเป็นนิสกีคือเป็นของจำต้องสละแก่สงแก่คณะหรือแก่บุคคลภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงสาจีวันที่เป็นนิสกีอย่างนี้